ที่ว่าหนองประพง์เนี่ยเมื่อสามสิปีก่อนเนี่ยก็มีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้แหละนะชาวบ้านก็จัดงานศพแล้วก็มีมหมอศพหมอศพนี่เขาไม่ใช่แค่มีหมอลำมีหลายอย่างเสียงก็ดังมาถึงวัด ไม่ใช่แค่ถึงเที่ยงคืนน้ น, นี่เขาลอบอย่ถึงตีสามพระก็ไปขอให้หลวงพ่อชาไปบอกชาวบ้านให้ให้หยุดใช้เสียงหลวงพ่อจังก์เตือนพระว่าเสียงไม่ได้รบกวนเราหรอกนะเราไปรบกวนเสียงต่างหาก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 ก็คือทุกกายคือเจ็บแต่ว่าเสียงกระพูเนี่ยมันยังไม่ทุกกายนะแต่สันติทีทจิ์ปรุงแต่งจิตปฏิกริยาเช่นต่อว่าดาทอต่อสู้ผักใสนะไม่ชอบชังใจมันทุกสันที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 คนส่วนใหญ่ก็เป็นเงินอยู่แล้วที่ยังไม่ใช่คนนะสัตว์ก็เป็นนะที่พูหลงเนี่ยเวลาตีละครงเนี่ยหมาก็จะหอนตีทีหมาก็หอนทีตีรัวช้าหมาก็หอนช้าหน่อยก็เหมือนกับว่ามันกําลังทะเลาะกับเสียงละครนะคล้ายๆกับชื่อหลงพ่อชาว่าเนี่ยว่า เราทุกข์เพราะว่าเราไปรบกวนเสียงเราไปทะเลาะกับเสียงหมาที่วัดก็ทะเลาะกับเสียงะระฆังนะแล้วมันก็ทุกข์มันจิตของมันเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นธาตุขึ้นตรงต่อเสียงะระฆังถ้าเสียงรัวทีมันก็ร้องทีถ้าเสียงรัวช้ามันห่างมันก็ร้องห่าง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 อารกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่วันไหวเป็นจิตที่ไม่สอสกไร้ทุริกิเลสเนี่ยนั่นก็คือจิตของผู้ที่ฝึกมาดีแล้วลกกนะรกธรรมก็ได้แก่ได้ราบเสือนลาบได้ยศเสื่อมยศสาเสินินทาสุขทุกรวมทั้งผัสสะที่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 ประมาณมั ก, กรากรุมพาเนี่ยจะมีงานแบบนี้เนี่ยถี่มากแล้วก็ไม่ใช่แค่ยุติเอาตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งนะเขาถึงเช้าเลยบางทีบินธบานี่ชาวบ้านนี่ก็เพิ่งเลิกนะเพิ่งเลิกจากการดูฉายหนังกลางแปลนหนังเพิ่งจบไม่มีใครใส่บาทนะ mm hmm. เพราะว่ากลับบ้านนี่เช้าตู่เลย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 อันนี้ไม่ถูกเป็นสมองเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีอา ร, ารมณ์อะไรง่ามากระทบแล้วคิดว่าไม่น่าไม่น่าเ น, นี่ยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เพราะมันทําให้จิตเราเนี่ยส่งออกนอกมากขึ้นเขาไม่น่าส่งเปิดเสียงดังเลยเขาน่าจะหลีเสียงกันนี้เนี่ยจิตมันส่งออกนอกแล้วแทนที่จะบอกว่าทําไมเขาไม่ เปิดเสียงให้เบาวกว่า น, นี้นะทาไมเขาเปิดเสียงดังเราย้อนกลับมาถามตัวเองดีกว่าทําไมาต้องหงุดหงิดนะกับเสียงเหล่านั้นคนไม่ค่อยถามนะไม่ค่อยถามตัวเองนว่าทําไมเราต้องโกรธเพราะรถติดทําไมาต้องหงุดหงิดโมโหกับคําพูดของเขาแต่เรามั่จะคิดแต่เพียงว่าทําไมเขาพูดแบบนั้นทำไมก็ทําแบบนั้น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 เอาละช้นพู่กันเท่านี้นะกลับครับ